ทุกแล้วมีทางเลือกสองทางคืออดครวนให้จิตใจล่มจมหรือว่าใครครวนให้จิตที่ล้มได้ลุกขึ้นท่านชยาสาโรภิกขุ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 เราจึงต้องมาฝึกเจริญสติเป็นเครื่องมือที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของเราคือรู้เรื่องกายเรื่องใจเราลองมาดูกายเราเห็นกายเราเนี่ยมันเห็นได้ง่ายเนี่ยอยขณะปัจจุบันเนี่ยเรากำลังอยู่ในอิเลียบทนอนอยู่เรารู้สึกตัวไม้ว่ากํากำลังนอนอยู่แม้ว่าอาจจะตาปลื้ๆ ขึ้นรู้ขึ้นหลงก็ไม่เป็นไรทําตาโตโตปลุกปลุกสติให้มันเตือนขึ้นให้รู้สึกตัวรู้ตรงนี้รู้ตรงนี้รู้ในอิริยาบถกําลังนอนให้สติมันเตือนเขาว่าแม้ตามันจะหลับเรากําลังอยู่ในอิริยาบถนั่งก็ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าเรากําลังนั่งอยู่กําลังยืนกําลังเดินกําลังประกอบภารกิจการงาน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 เมื่อวความคิดไม่ดับก็ไม่เป็นไรเราทิ้งมันทิ้งความคิดซะกลับมาเจตนารู้ลงไปที่กายกาลังเคลื่อนไหวเนี่ยรู้ที่กายเป็นหลักเอาไว้ก่อนมาให้ความสาคัญอยู่ที่การเคลื่อนไหวของกายเมื่อเราไม่ให้ความสาคัญกับความคิดความคิดก็จะดับไปเองไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่ว่าง่วงเหงาห้อนอนซึมเศร้าเบื่อเซ็งกลุ้ม เงานี่คืออาการของความคิดอาการของจิตก็อย่าไปใส่ใจมันให้รู้ว่าเนี่ยมันคิดแล้วมันคิดอะไรก็ช่างให้รู้แล้วก็ทิ้งซะกลับมารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวของกายจับหลักตรงนี้ไปก่อนชีวิตเราเนี่ยก็มีสองอย่างมีกายเรื่องของกายความเจ็บไข้ได้ป่วยในเรื่องของกายแล้วก็มีจิตผู้รู้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 รู้ใจที่มันคิดมันนึกเนี่ยอย่ารู้แบบจับรู้แบบแตะแตะรู้เบาเบรู้เบาๆบ่อย่าจับให้มั่นคั้นให้ตายจิตใจมันจะเครียดรู้กายเคลื่อนไหวก็รู้เบาๆบแตะรู้เบาๆจิตใจที่มันคิดมันนึกก็รู้เบาๆว่ามันคิดรู้ไปบ่อยนานเนี่ยมันจะชัดไปเองไม่ยากอับที่เราอะไรเช็ดแว่นตานะ เรเช็ดครั้งเดียวเนี่ยมันไม่ใสสะอาดต้องเช็ดบ่อยๆลหลายๆครัง้งเลนแว่นตาจึงจะใสเนี่ยการเจริญสติก็เหมือนกันอย่าไปเพ่งไปจ้องจะเอาให้ได้จะร่วยชัดอันเนี้ยจิตใจมันจะเครียดมันจะมีความอยากซ่อนอยู่ในใจลึกๆให้เตรียมจิตเตรียมสติรู้ง่ายๆแต่รู้เบา รู้แบบปล่อยๆว่างๆมันไม่ชัดก็ไม่เป็นไรเจริญสติบ่อยๆมันจะชัดไปเอง เ, เมื่อเรารู้สึกตัวไปกับอะไรแล้วเนี่ยรู้กายก็ตรงทิ้งอย่าไปยึดติดรู้ในความคิดนึกต่างๆอาการต่างๆของจิตเห็นจิตมันคิดเรื่องเกี่ยวกับความรักเราก็ทิ้งไปเห็นจิตมันเกิดความโกรธ ความไม่พอใจหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองพอรู้ทันก็ทิ้งไปจิตมันสงบก็รู้ว่ามันสงบก็ทิ้งไปเมื่อจิตมันเกิดการสับสนวุ่นวายพาุ่งซ่านเมื่อมีสติรู้ทันรู้แล้วก็ทิ้งไปจะชอบใจไม่ชอบใจดีใจเสียใจสุข รักชังที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเราเนี่ยถ้าเรามีสติเลิกรู้ลงไปได้เมืออนะ่อไหร่แล้วก็ทิ้งให้หมดเลยรู้อะไรทิ้งอะไรรู้สิ่งไหนทิ้งสิ่งนั้นเนี่ยจิตจะได้ว่างๆที่จิตเรามันไม่ว่างมันวุ่นวายสับสนก็เพราะว่าเรารู้แล้วไม่ยอมทิ้งรู้แล้วเกาะติดยึดแน่นยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมปล่อยวางใจจึงเป็นทุกข์ เมใจเป็นทุกข์แล้วร่างกายก็ปล่อยจะมีโรคภัยไข้เจ็บด้วยเมื่อเรารู้ปล่อยรู้ทิ้งรู้วางอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตมันจะเป็นปกติแม้ว่าเราจะคิดนึกอะไรเนี่ยเราจะคิดนึกด้วยจิตใจที่สงบปกติเป็นระเบียบเป็นผู้ใช้ความคิดเป็นผู้ใช้สิ่งที่เรารู้เป็นนายไม่ตกเป็นทาส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 จะกลับมาดูจิตตัวเราเองนะดูอารมณ์แล้วก็สะท้อนมาดูจิตของเราเนี่ยเห็นว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นจิตผู้รู้รู้เฉยเฉยเราเห็นจิตผู้รู้แล้วเราก็ต้องปล่อยวางด้วยนะอย่าไปยึดว่าเราเป็นผู้รู้ผู้รู้เนี่ยเป็นเราเนี่ยมันก็จะมีตัวตนอนี่า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 มีแต่ภาวะที่รู้กับภาวะที่มาให้รู้ไม่มีตัวมีตน ม, มีแค่ภาวะสภาวะธรรมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการฝึกจิตฝึกใจเราอย่าไปสงสัยอย่าไปหาคำตอบอย่าไปหารายละเอียดเจริญสติไปเรื่อยสร้างความรู้สึกตัวไปเรื่อยบางคนสงสัยว่าถ้าหากว่าเราปฏิบัติไปแล้ว มันไม่มีตัวไม่มีตนแล้ว ه, ถ้าเราตายไปเนี่ยเราจะไปเกิดที่ไหนไหก็เรายังมีตัวเรายังสงสัยว่าเราจะไปเกิดที่ไหนไหมมันก็ต้องเกิดอยู่ล่าไปถ้าเราเจริญสติถึงที่สุดแล้วเราจะไม่สงสัยไม่มีตัวผู้สงสัยไม่มีใครไปเกิดที่ไหนมีแต่สาภาวะธรรมเท่านั้นท่านยิงบอกว่านิพพานดังปรมงณูญ